เท่านฟังที่คารบคะเราพบกันสตาราห้าวันนะคะรายการสัมสนสมทนามีช่วงเวลาให้ท่านปฏิบัติธรรมกันในตอนเริ่มต้นแล้วก็ท่านอาจจะปฏิบัติกันเรื่อยมาจนจบรายการเลยก็ได้นะคะโดยพระมาชาคาวโรท่านเป็นผู้ที่นำการปฏิบัติแล้วก็อ่านพุทธว จ, จนะให้ท่านฟังส่วนท่านอยากจะได้ไปอ่านเองนี่ก็ส่งมาที่ศูนย์สองสองหกเ้าศูนศูนูย์หกนะคะ พอาจารย์คลิฟฟิโทโซดิพโลท่านเจ้าวาดวนณป่าพงล้ำลูกาคลองสิบ ท, ที่ท่านมาร์กอยู่เนี่ยท่านได้มอบหนังสือให้กับพวกเราวันละสามเล่มค่ะส่วนช่วงเวลาต่อไปนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่จะมีการนาเอาคําถามทั้งหลายมากราบเรียนถามเพื่อที่ให้ท่านอาจารย์พระอาจารย์ภพยบุญพิบุญโนจากวัดป่าดอนหายศูุดรนธานีนะคะท่านนําเอาพุ้ทวจนะของพระาศาสดามาตอบ ช่วงนี้เป็นการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนวัตการมกันท่านคะอาจารย์บานเอ่อจริงๆแล้วอยากจะกลับเรียนถามหนชื่อช่วงอีกสักครั้งหนึ่งเถอะนะคะเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะอืหมายถึงว่าธรรมไม่ได้ถูกปิดไว้ด้วยพุทธวจนะแต่ถูกเปิดด้วยพุทธวจนะใช่ไ่มะแต่ทําไมล่ะคะในเมื่อเดชเชนก็ฟังจากท่านว่าสิ่งที่พระศาสดาสอนเนี่ยมันเป็นความจริงอืม ความจริงความจริงมันถูกปิดไว้ยังไงคะท่านคะคือความจริงถูกปิดไว้อย่างเช่นว่าเราเห็นสองหน้าในกระจกเราอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าฉันสวยนะนั่นนั่ น, น, นของปลอมนะทีนี้ความจริงคืออะไรพูดโดนใจดัด <c oughs> แล้วความจริงคืออะไรความจริงคือฉันแก่แล้ว <c oughs> นะ <c oughs> ฉันเหี่ยวแล้ว <c oughs> ผมฉันหงอกแล้วนะเอาอะไรเขาเอาอะไรมาทาดำๆไว้เนี่ยมันของปลอมทั้งนั้นอันนี้ไม่ใช่ความจริงมันถูกปิดโย ออย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงต้องบอกว่าเราควรจะพิจารณาอย่างเป็นธรรมดาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้ทีนี้ว่าทําไมต้องพุทธวจนะอย่างนี้คือประเด็นที่ว่าเปิรบางทีเนี่ยบทพยัญชนะอื่นๆที่ไม่ใช่เป็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังมีข้อที่ผิดพลาดอยู่เราจึงต้องมาพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเรามาทวนถามสอบถามกันด้วยบทพยัญชนะที่เป็นพุทธวจนะแล้วเนี่ยจะสามารถเปิดตรงนี้ออกมาได้อ นะคะคือเหมือนกับว่าเหมือนเรื่องเส้นผมบางภูเขาอะไรเงี้ยนะคะมันมีความจริงมีอยู่ใช่แต่อะไรก็ไม่รู้ทำให้เรามองไม่เห็นแล้วยิ่งถ้าเราไม่ปฏิบัตินะคุณติว๋วไม่ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัตินะ นี่มันเหมือนเงียบแบบภูเขาบางเส้นผมไปเลยแต่เส้นคนละเด็กคนละเรื่องไปเลยคือถ้าเส้นผมบางภูเขาเนี่ยเขียวนิดเดียวมันออกได้คนที่มีทุรีในดวงตาน้อยก็มีใช่ไหมค่ะอย่างท่านผู้ฟังตื่นเช้ามาเนี่ยแหกขี้ตาตื่นขึ้นมาแล้วก็มาฟังธรรมะเนี่ยนะดีมากๆเลยคะเป็นประเภทอาจจะมีเส้นผมบางภูเขานิดหน่อยช่วยกันเขี่ยออกไปได้แต่คนที่ยังนอนหลับไหลอยู่สายแล้วก็ไม่ตื่นเนี่ยพวกนี้ก็ภูเขาบางเส้นผมต้องไปขุดกันอยู่นั่นน่ะ นะคะเพราะนั้นเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องมีการเปิดธรรมที่ถูกปิดแล้วก็ต้องด้วยรรมทีะนะ่ถูกต้องด้วยใช่ใชจึงเป็นโอกาสของท่านทั้งหลายที่ฟังในการนี้อยู่นะคะจะได้ทราบว่าท่านได้ใช้เวลาของท่านอย่างมีคุณค่ามีคนปฏิบัติคะ่ะท่านคะคำถามเนี้ยดิฉันก็งงนะคะแต่คิดว่าต้องถามนะคะ <c oughs> คือเข้าใจว่าอธิบายกันลาบาก ก็จะมีเพื่อนฝูงมากนะคะที่เป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในธรรมบางคนเนี่ยต้องชื่นชมมากเลยนะคะคือเหมือนกับนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเวลาทานอาหารกันก็จะต้องบอกว่าอ๋อเนี่ยพิจารณาปฏิกูลในอาหารอยู่นะคะค่ะแต่ว่าคนเดียวกันเนี่ยค่ะ อยู่ดีๆก็บอกบอกว่าอยากไปรเรียนทำสมาธิใหม่ทั้งที่เาเข้าคอร์สมาตลอดชีวิตที่เรารู้จักกันประมาณยี่สิบปีแล้วนะคะออเอาคอร์สนู้นคะ่ะาคอร์สนี้แล้วก็บอกว่ารู้สึกว่ายังทำสมาธิไม่เป็นเขาทำมากกว่าดิฉันอีกเพราะเขาพูดแบบนี้ดิฉันเลยงงเลยคะ่ะว่าออจริงๆนะ มันก็น่าสงสัยเหมือนกันขนาดเขาปฏิบัติเยอะๆเขายังถามว่าเขายับอกตัวเองว่าเขาทําสมาธินนไม่เป็นอันนี้คงต้องออมีมีสองสาประเด็นตรงนี้น ะ, ะอันดับแรกคือเรื่องของการทําสมาธิเนี่ยบางคนไปเข้าใจว่าจะต้องเป็นรูปแบบนั้นต้องนั่งหลับตาไปวัดอยู่ที่หลีกเล่นต้องอยู่ในห้องพระเท่านั้นต้องสวดมนต์หรืออะไรต่างต้องนุ่งขาวห่มขาวด้วยนะช่วยตื่นไม่ได้คือรูปแบบพวกนี้มันมันไม่ใช่เลยเอาแค่จิตเราเป็นหนึ่งจิตเราเป็นหนึ่งนะ อยู่ที่บ้านที่ทำงานขับรถอยู่ได้ทั้งนั้นนะเวลาคิดคิดเรื่องเดียวเราก็ได้ทั้งนั้นเวลาพูดนะพูดเป็นธรรมพูดเป็นวินยัยไม่พูดเพอร์เจอร์อันนี้เป็นสมาธิแล้วจิตของเรานะเวลาคิดไม่คิดฟังซ่านไม่คิดพยาบาทอันนั้นคุณละนิวรณนได้ตั้งหลายตัวแล้วนะจิตก็ยังเข้าใกลนะ้สมาธิมากขึ้นสมาธิคือความเป็นหนึ่งของจิตนะไม่ใช่ว่าต้องมานั่งหลับตาหรือต้องไปลางาน บางคนบอกว่าทาไมคนนี้ต้องเดินตัวแข็งๆ น, นั่นคนเดียวก็หลับตาแล้วก็เดี๋ยวก็ยิ้มอยู่คนเดียวเหมือนแบบบ้าๆบอๆซึ่งไม่ไม่ใช่ไม่ใช่การ<ช>ปฏิบัติสมาธิงั้นก็เท่ากับว่าสิ่งที่น่าจะได้คําตอบจากท่านเพียในวันนี้ก็คือการเข้าใจคําว่าสมาธิให้ถูกต้องถูกไหมคะใช่เพราะว่านั่นเท่ากับว่าท่านนี้อาจจะจริงๆเนี่ยทำอยู่แต่ มัวคิดแต่ว่าสมาธิมันต้องเป็นรูปแบบของการนั่งเป็นพี่ใช่แล้ว ด, ดิฉันเลยเข้าใจว่าหรือว่าในขณะที่เชื่อเชื่อว่าเขาเป็นคนปฏิบัติตลอดอะนะคะมันต้องมีสภาวะหรือว่ามีปรากฏการอะไรบางอย่างของการปฏิบัติสมาธิที่ทำให้เขาเข้าใจว่ามันไม่ใช่สมาธิคือจะวัดกันตรงนี้เราวัดกันที่ว่าจิตของเขาเป็นหนึ่งไหม จิตของเขาเป็นหนึ่ ง, ห น, งหนึ่งหรือไม่หนึ่งนี่ก็คือวัดกันที่ว่าเวลามีอะไรมากระทบแล้วเราไหลไปตามไหมค่ะนะเช่นว่ามีเสียงด่ามากระทบเราไหลไปตามจิตไหมมีเสียงชมมากระทบเราชื่นชมดินดีมีความรุ่มหลงแห่งจิตไหมถ้าเป็นคุณก็ไหลไปตามลนะถ้าไม่เป็นแสดงว่าจิตคุณก็ค่อนข้างที่จะตั้งมั่นเป็นหนึ่งได้<ม>ก็ดีแล้วนะ right. อยากให้ฟังในการจริงเลยนะคะเพราะที่ฉ<ฮ>ันอธิบายไม่ได้เนก็งงมากเลยคือขวัญตัวเองที่เสียไปหมดเลยนะค ะ, อะตอนฟังเขามีควา ม, มความรู้สึกโอ้โหขนาดเขาขนาดนี้เขายังเป็นแบบนี้เลยหรือหรือจะมีกรณีที่สองมันจะเป็นอย่างนี้นะคุณยมติวนี่คือคพูดถึงประเด็นแรกนะนี่ประเด็นแรกคือเรื่องว่ารูปแบบของการทําสมาธินะที่เราพูดไปแล้วประเด็นที่2คือว่าเขาอาจจะทำอยู่ตลอดเวลาก็ได้อนี้เราก็ไม่รู้แต่ถ้าเขาเวลาที่เขาไปทําเป็นรูปแบบอย่างเช่นไปวัด กุนะ้ยครูบาจารย์นั่งสมาธิแล้วแหมมีความสุขมากเลยมีสมาธินิ่งจริงๆเลยแล้วก็ยึดติดในสมาธินั้นนะแล้วพอกลับมาบ้านไม่ได้เหมือนเดิมนะเสียงก็ดังทําไม่ได้นั่งแล้วก็ไม่เป็นหนึ่งแล้วก็เกิดโกรธขึ้นมาเพราะมีความยึดติดในปีติและสุขที่เกิดขึ้นนะั้นเพราะมีความยึดติดในปีติสุขที่เกิดขึ้นในขณะที่เราได้ตอนนู้นเนี่ยพอมันไม่ได้อีกเนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหาละ จะเริ่มดา่ากระฟัดกระเฟียดกระ ด, ด่งางกระเดืองแสดงความโกรความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏเป็นไปได้แล้วก็คิดว่าตัวเองทําไม่ได้อย่างนี้<อ>เพราะว่าตัวเองยึดติดในสิ่งที่ตัวเองเคยได้มามากเกินไปออพอเรายึดติดในสิ่งที่เราเคยได้มามากเกินไปใช่ไหมความอยากมันนําหน้าแล้วอยากมาก่อนแล้วความอยากออกหน้าความอยากออกหน้ า, า, ม, า, กออกนามันก็บังหมดมันก็มองสมาธิไม่เห็นทําให้เขาทําไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่สองก็มี ซึ่งตรงนี้หลายๆคนก็เคยเจอปัญหานี้อย่างผู้ที่มาหลีกเล้นอยู่เนี่ยปีที่แล้วมาแหมทาได้ดีมากๆเลยปีนี้มาอีกโอ้ยทำไม่ได้เลยจิตฟุง้งซ่านก็คุณตั้งใจมากเกินไปเอาความอยากออกหน้ามันก็ไม่ได้สิเพราะว่าความอยากความต้องการพวกนี้เป็นนิวรมันจะกั้นจิตไม่ให้เราเป็นสมาธิได้ท่านพูดถึงนี่เป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่ใช่ไหมคะคือมักจะมาด้วยนิวรคือความอยากใช่ แล้วก็พอเราไม่ได้เกิดนิวรณ์อย่างที่สองคือความไม่พอใจพยาบาทอันนี้ก็เป็นอย่างที่สองคือคนที่มีความอยากเนี่ยมันเราไปกู้เงินเขาอะ่ะใครคที่เป็นหนี้ธนาคารเนี่ยคงจะทราบดีอยู่นะธนาคารเขาส่งสเตตเมนต์มาใช่ไหมตัวแดงโล่เ ง, งี้ยเราก็แหมไม่พอใจแล้วเกิดความเครียดขึ้นนี่แหละนี่แหละละักษณะ น, นั้น<ม>พอเราไม่เราอยากเมื่อไหร่ปุ๊บเหมือนกับไปกู้ธนาคารมาก่อนเลยค่ะ<ม>อ๋อความไม่พอใจนี่ถือว่าเป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งประเภทพยาบาท ความไม่พอใจคือพยาบาทเป็นนีิวรันอย่างที่สองพ ะ, ะพุทธเจ้าบบเปรียบเทียบเหมือนกับคนป่วยไข้ค่เวลาเราไปโรงพยาบาลทําอะไรไม่ได้ไม่มีแรงพวกเนี้ยอค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องตั้งจิตมาให้ถูกอย่างนั้นหรคะคือต้องทําให้ถูกแค่นั้นเองนั้นคือการทําสมาธิเนี่ยเราไม่ได้หวังผลหรือไม่หวังผลก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเราต้องสร้างเหตุให้ถูก เหตุในที่นี้ก็คือการมีสติค่ะคือระลึกถึงสิ่งสิ่งเดียวนะถ้าจะพูดในที่นี้ก็คือระลึกถึงลมหายใจก็ได้น ะ, ะถ้าเราสร้างเหตุถูกนะหวังผลหรือไม่หวังผลมันต้องได้ค่ะอ่าแนี้เหตุที่เรายังทํายังทําไม่ถูกคือยังมีความอยากอย่างเงี้ยคือความอยากกับความหมังนี่ไม่เหมือนกันนะอยากนี่ก็คือว่าอ่าบางทีอยากแต่ผลเหตุไม่ทำํำนะกินข้าวก็เยอะ ฟังธรรมก็ไม่ฟังธรรมอยากให้จิตเป็นสมาธิแต่ก็คิดนั่นคิดนี่มันก็จะหวังแต่ผลออแต่ความหวังนี่คือเราสร้างเหตุให้ถูกพระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างถึงคนเอาเมล็ดงามาโรยบนรางใช่ไหมพรมน้ำแล้วก็บด ท, ทับอยู่ขั้นอยู่เนี่ยก็จะต้องได้น้ํามันแน่ถ้าจะหวังหรือไม่หวังก็ต้องได้ค่ะคือว่ากรณีนี้เนี่ย แล้วก็เผื่อแพ่ไปยังท่านอื่นๆด้วยนะคะที่ดิฉันเข้าใจว่าการทําสมาธิเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเรื่องของการปฏิบัติทางจิตที่ปรากฏการมันก็ปรากฏอยู่กับตัวเราใช่ไหมคะทีนี้การอธิบายเนี่ยบางทีมันก็ยากแก่การอธิบาย <laughs> ก็จึงมีความรู้สึกว่าไม่รู้จ้ ขัดจังยังไงสายของตัวเองอย่างไรมันก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาคิดออกมาอย่างไรเป็นรูปธรรมประสบการณ์เงินรูปธรรมอันนี้อาจารมาเคยเจอปัญหานี้ตัวเองเราก็เคยเจอเองแล้วก็มีหลายๆคนมาพูดให้ฟังคืออย่างเรื่องอนาปาญสติเอาง่ายๆที่สุดเลยเอาแค่สังเกตลมหายใจสังเกตลมหายใจคือการระลึกถึงลมหายใจนะหคือสมมติเรานึกถึงแม่เรานึกถึงบ้านเราเนี่ยเราก็นึกถึงลมหายใจกันนั่นเองบางคนก็เข้าใจไปว่างั้นฉันต้องแต่งลมหายใจให้สั้นเท่านี้ ให้ยาวเท่านี้นะเดี๋ยวเข้า3วินาทีออก4วินาทีเข้า3วินาทีออก4วินาทีมันไปอย่างนั้นไปอีกแบบเครื่องบังคับลมนี่ไม่ได้แน่นะหรือบางคนบอกว่าเออแล้วจุดที่สังเกตนี่มันจุดไหนอยู่ในโพรงจมูกใช่ไหมตำแหน่งไหนกันแน่นะเอ่อพื้นที่ตรงที่สังเกตุนี่กี่ตารางมิลลิเมตรทำมุมกี่องศากับดั้งจมูกว่ามันไปอีกเรื่องหนึ่งนู่นเลยนะคือเราเอาเป็นธรรมชาติไง สิ่งที่สังเกตเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติเพราะนั้นเราก็ทําอย่างเป็นธรรมชาติคนก็คิดไปอีกว่าโอ้ยอย่างนี้มันง่ายเกินไปหรือเปล่ามันง่ายอย่างนี้แหละนะที่พระพุทธเจ้าสอนง่ายๆแค่นี้ไม่ได้ <S <S <ใจ S 2> มีอะไรมากไปกว่านี้ที่คนคิดเช่นนั้นน่ะก็คือเหมือนกับปลายทางมันยิ่งใหญ่มากเลยคะ่ะพอบอกว่าอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติซึ่งพอฟังไปดูเหมือนกับมันง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนจึงคิดว่า เขาจะไปดวงจันทร์ย่าต้องนั่งยานอาวกาศที่ต้องต้องคิดด้วยวิธีด้วยองค์ความรู้ที่มากใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วนี่ไปยิ่งกว่าอาวกาศอีกไปไหนก็ไม่รู้เอที่สุดแห่งโลกที่สุดแห่งโลกอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วก็ทําให้บางคนมองข้ามข้ามปลายจมูกไปซึ่งจริงๆทางออกอยู่ที่นี่เองไม่ได้มีอะไรมากกว่าจะเข้าที่เข้าทางอืม ด, ดิฉัน ใจเสียเลยนะคะที่ฟังจากเพื่อนท่านเนี้ยค่ะพอดูเหมือนกับว่าเขาทุ่มเทมากอื ม, อมกับการปฏิบัติใช่ไหมคะเราก็เลยเอเราก็พอสมควรไม่ได้มากแบบเขาเนี่ย เ, เข้าใจถูกอยู่หรือเปล่าคือคือมันจะมีห้าตัวแปรไงคุณโยมติว๋ว <c oughs> ถ้าเราพิจนารณาดูห้าตัวแปรนี้นะของ <c oughs> เขาของเราด้วยนะเราต้องดูห้าตัวแปร <c oughs> ถ้าเราดูว่าเออความเพียรก็มีไอ้ความเพียร เ, เ, เราไม่ค่อยมีโอเคนี่ตัวแปรเดียวเท่านั้นเองยังมีอย่างอื่นอีกนะศรัทธาวิริยาสติ สมาธิปัญญาห้าอย่างนี้วิริยะเนี่ยเป็นอย่างที่สามไมอย่างที่สองถูกไหมค่ะทีนี้ศรัทธาล่ะศรัทธาเราวัดกันยังไงก็ต้องศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมถ้าเป็นคําสอนของคนอื่นอยู่แสดงว่าคุณยังศรัทธาแบบไม่เต็มที่ค่ะนะสมาธิล่ะสมาธิก็ลองสังเกตดูซิว่าเขาจี๊ดจ๊าดมากไหมเบี่ยงมากไหมนะวันวันอารมณ์ได้เร็วไหมอันนี้ก็ดูได้ตรงนี้ตกอยู่ในสถานการณ์แล้วยังทรงจิตอยู่ได้ไหมนะแล้วก็ สติใช่ไหม ส, <Okay. S 1> ญญสตาวิริยะสติสมาธิปัญญาสติก็คือความระลึกได้นะระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแล้วแม้นานได้ไม่ใช่ปัม๊มปัมเปอ๋อเปอ๋เปอ <Okay. S 1> นะแล้วก็สุดท้ายคือปัญญานะดูซิว่าเขาพูดอะไรเขาพูดสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยไหมนะถ้าเขาพูดแสดงว่าเขามีปัญญาถ้าเราพูดอะไรตรง5อย่างนี้จะมาเปรียบเทียบกันสามารถรู้ได้ว่า โอ้กุณจะบรรลุเร็วหรือบรรลุช้าฉันจะช้ากว่าเธอฉันจะเร็วกว่าเธอเราพิจารณากันที่ห้าตัวแปรนี้ตัวแปรนี้ที่ว่าเนะะี่ยค่ะในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอะไรพระพุทธเจ้าใช้คําว่าอ<ค>ินทรียอินทรีอินซีนี่ไม่ใช่นกอินทรีหรือปลาอินทรีนะแต่อินทรียเนี่ยแปลว่าความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่เขาเลยเอาไปตั้งชื่อนกเนี่ยเพราะนกอินทรีมันกินนกอื่นปลาอินทรีมันมีความรวดเร็วมันกินปลาอื่นอย่างเงี้ยนะ เพราะนั้นบางทีคนไทยอาจจะเข้าใจผิดอีกอย่าหนึง่งเพราะคําว่าอินทซีย์ของคนไทยยแปลว่าร่างกายได้ด้วยนะคะก็ได้เหมือนกันซึ่งอินซีย์ในที่นี้ก็แปลว่าร่างกายในส่วนที่ว่าอย่างตาอย่างเงี้ยเป็นใหญ่ในเรื่องการเห็นรูปอหูเป็นใหญ่ในเรื่องการฟังเสียงอย่างเงี้ย น, นะค่ ะ, ะนะคะก็เท่ากับว่าวันนี้เนี่ยใครที่กําลังฟังแล้วมีความรู้สึกเ อ, อ ค, ลคล้ายกันชักเริ่มสับสนเหมือ น, นกันว่าไอ้ที่รู้อยู่เนี่ยเป็นสมาธิ อยู่จริงหรือไม่ต้อเริ่มต้นใหม่หรือเปล่าท่านพิบูรน์ก็ให้ความรู้นะคะว่าสมาธิขอให้เข้าใจว่าคือความเป็นหนึ่งของจิตแล้วมันไม่จําเป็นต้องนั่งนิ่งๆนะคะอาจจะทําอะไรไปแล้วท่านก็ตรวจสอบกันไปนะคะว่าเข้าขายไหมในการที่จิตมีสมาธิหรือเปล่าจิตเป็นหนึ่งหรือเปล่าสามารถจะระงับอารมณ์อะไรต่างๆได้เร็วหรือเปล่าโดยพิจารณาจากตัวแปรที่เรียกว่าอินซีใช่ไหมคะใช่ ดูศรัทธาของท่านเป็นอย่างไรวิริยะเป็นอย่างไรสติเป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไ ร, ป, งไ ร, ป, งไรปัญญาเป็นอย่างไรดิรฉันเองเนี่ยต้องบอกว่าชอบให้คนที่จะดูที่ตัวเองก่อนอย่าไปเพ่งดูที่คนอื่นอืมคือเหมือนกับว่าไว้วัดตัวเองดีกว่านะคะเพราะไปวัดคนอื่นแล้วเราจะไม่ก้าวหน้าใช่คือวัดในที่นี้เนี่ยเราก็วัดตัวเองกับอะไรกับธรรมะในที่นี้ก็คือศีลสมาธิปัญญา ศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยจะเป็นหลักในเกณฑ์นในการที่เราจะวัดว่า เ, าเราไปถึงระดับไหนได้ตท่านฟัะท่านฟังก็นำเอาสิ่งที่ท่านพิบูนได้บอกไว้ว่านอกเหนือจากหลาักการของที่ท่านบอกอยู่เสมอว่าเอาศีลสมาธิปัญญาไปพิจารณาแล้ววันนี้ในส่วนของเรื่องของวัดความก้าวหน้าดูที่อินทรีห้าประการท่องไว้เลยนะคะศรัทธาวิรยิยสติ สมาธิปัญญาศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเน้นที่ตรวจสอบในตัวเราก่อนก็แล้วกันอย่างนั้นดีไหมคะท่านบูรณคะใช่คือเราตรวจสอบกับสิ่งที่เป็นศีลนะสมาธิปัญญาอันนี้จะเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบเกณฑ์ในการที่เราจะใช้เป็นเส้นทางในการเดินแล้วก็วัดของเราตรงเนี้ยมันก็ไม่หนีจากนี้ก็คือเราอยู่ในถูกทางล้ไม่ต้องสังเกตไม่ต้องพึ่งคนอื่นก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องขาดความมั่นใจ วันนี้นมาตการขอบพระคุณท่านเป็นผลเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะอาจารย์พานพระท่านที่เคารพค่ะยังเหลืออีกหนึ่งสัปดาห์กว่านะคะก็จะสิ้นปี 2,554 แล้วมีคนเชื่อมั่นว่าท่านทั้งหลายที่ติดตามคําสอนของพระศาสดาพุทธวจนะในรายการสันสนีสนทนาเนี่ยแตละวันแตละวันที่ผ่านไปท่านอาจจะไม่ต้องสงสัยว่าวันเวลาล่วงไปล่วงไ ป, งไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่นะคะ ในแต่ละวันเราก็ได้ปฏิบัติตามทำเนี่ยกันอยู่เป็นประจำเป็นประจำขอให้ทุกท่านนำเอาไปปฏิบัติกันเถอะค่ะชีวิตท่านจะพบกับความสวัสดีคำถามของรายการเราส่งมาที่เพ e ยวธรรม a .com/106 ก็ได้022690006ก็ได้ขอหนังสือมาที่นี่ก็ได้นะคะพุทธวจนะวันละ3ามเล่มวันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพุทธสวัสดีค่ะ